ไม่ชอบใจก็เกาะทําไมจึงเป็นตรงนั้นธรามนราไม่ชอบใจไม่เกาะแต่ จ, จิตไม่ชอบใจก็เกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงยุรักก็กเกาะเปรียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆ น, น, นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีทําไมจิตจึงต้องไปเกาะ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 ทานศีนภาวนา่เพื่อจะหวังพึ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้เหนียวหรือได้เกาะในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทําที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเกิดจากการกระทําที่ดีก็าย่อมทอําจิตใจให้มีความร่มเย็ยนและผาสุขจากนั้นก็สอนในภาวนานี่ยิ่งละเอียดเข้าไป พึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งอาสิ่นี้ก็ให้พึ่งเพงพยายามอบรมทางด้านจิตตะพอนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทปันญนั่นเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งทำนั้นก่อนก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งธทำหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดกาะจแม้ในขณะนั่นก็าตามที่เราเพิ่งเริ่มฝึกหัดใหม่ ที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกนไม่ได้เป็นตัวเตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับรักษาจนกระกทั่งจิตมีความคคกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นนั่นแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนก้าเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่า พึ่งตัวเด่นได้แล้วในขณะนั้นทําบทใดทั้งหมดไม่จําเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นเป็นหลักเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภายใจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็น มีต่วความรุ่มร้อนมีต่อความหิวความกระหายมีต่อความระวังเนื้อระวังตัวเรือต่างๆซึ่งไม่เข้าเรื่องระวังหักไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็ความส่อสแสงหาสิ่งเป็นพิเป็นภัยมาทำลายตัวเองเช่เป็นจำนวนมากเพราะไม่ใช่ถางพระโทธิจักท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้ว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 เป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลำดับคี่ไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจดตังหรือสันธิติโกสันติติโ ก, ส, โกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควนถอดควรถอนควนบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในใจิตใจแน่หนามันคมขึ้นโดยลำดับก็ทราบ เพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายก่ายกองเนา่าย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนีเชื่อเข้าหาที่พึ่งข้หาที่อาศัยอันร่มเย็นมีเป็นที่พึ่งขั้น แล้วขั้นต่อไปแม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของอีกที่ท่างเรียกว่าสมาธิเป็นขั้นขั้นตูจาระบ้งคณิกะบ้างอัปนาบ้างเป็นขั้นขั้นอปนาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเต็มภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้น เลยนั้นไปไม่ได้เป็นอัปปนาดูแค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพิณิพิจ น, นาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนที่ละเอียใดใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดอิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดกหลักจะหลักก่อก็ยังไม่แตกแต่มันก็แตกออกมาอีก ง, งอกออกมาอีกจนได้ ท่านยังสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉียวฉลาดแหลมคมไปตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่าญาณไปแล้ว<ม>ดังที่ท่านแสดไงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูตรปัญญาอุดรปานวิ ช, ชาอุดรปานอโลโกอุดรปันยงญาณาังอุตปาน น, า น, า น, นี่ต่างกั วิชาวิชาสามเนี่ยปัญญาอุตปานี่ปัญญาเกิดขึ้นญาณังอุตปาเนี่มีความละเอียดเข้าไปเป็นปําๆๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นเองปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหล็กที่ปกคุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่า ทำกิเรกกวาดต้อมพิเรกเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นการเป็นเวลาแต่อุปทานของจิตที่มีเหี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบลมเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่ฟาดฟันนึอถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยออกได้เป็นลํำดับลาดับธรรมท้า สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโพติมหิสร่างสร้างนะสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากคล่องแค้วแก้วกล้าสามารถตัดกิเลกได้โดยลำหนักลำาดักปัญญาปริภาวิตังจิตตังส ม, มะเดวะอาสเวหิมุตติ จิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมบูดทนโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตั้งโดยปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอบถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาส่วนกลางส่วนเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันไหนที่จะเหนือปัญญาไปได้ไปได้นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดําเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออก ถึงจะเป็นจนิตนิสัยใดๆก็ตามสมาธินี้จะต้องมีแนกอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียเวลัมเวลาการรับทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินเปล่าเสียเงินเสียทองเพื่ออาหารอาตาก็ไม่ถูก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 ถ้าเป็นรถก็เลยว่าเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันเขาวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ปัญญาสมาธิปัญญาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นก็มีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนนะคนุณคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวางมาก ตามแต่จะดินิสัยของผู้ที่นามาใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็นเป็นการถอดถอนกิเลสได้โดยลำหนับนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านตามตำลับตำลามาได้มาจากตำลับตำามาแก้กิเลสทุกประเภทถึงจะเป็นธรรมเพราะในตํารานั้นก็ถอดออกไปจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ถอดถอนกิเลสได้ถึงผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตํารานั้น ไม่ใช่ตำร้านต้เกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเ ร, รียนนายสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้จาะลึกลงในคำภีใบลานสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการป ร, เเริเวติแล้วนี้ไปสอนนะเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสำคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะแยกแยะออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละหลายไปไม่จิ้นสุดหไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอาตามตำหตนัตำลามาเแต่ทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรม เราคิดขึ้นโดยลําพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้กิเลสได้นี่เป็นความเห็นผิดของเราท่านแสดงไม่ตามตําหนักตานานนั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลยถ้าเป็นยาก็เป็นยาหม่อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะทีาเราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่และประเภทนี้ เป็นญาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นนั้นให้หมดไปโดยลำหดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญายิงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัดมีทำมีทัตติปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่าฟังธรรมทั้งกลางวานันกลางคืนงานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆ ช้ำผนธ์แล้วจะเมื่อไม่ขอไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรจะผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเทือนทงสติปัญญาจะต้องค้นคว้าพิจิตรณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าฟังธรรมทัานดังลังคือคือธรรมในหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยธรรมะ สัดสีสมาสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมาชาติที่มีภาณในจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะคลิกค้นขึ้นมาพิพจารณาใช้ประโยชน์ตามตติกำลังของสมารถแห่งเครื่องมือนั้นนั่นคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันเน่ฟังว่าธาตุมาขันเท่ากุมอากายถพระพุทธเจ้าก็มีสาวกทั้งหลายก็มือท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือ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 ทำไมท่านถอดถอนได้เราจะถอดถอนไม่ได้เราจะรู้ไปได้ทำไมท่านรู้ได้เราทำไมรู้ไม่ได้ใจเราก็มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นได้ในแง่ต่างๆตามแต่ผู้ที่จะชอบคิดในแง่ใดๆขึ้นมาพิจนารณาเรื่องธาตเรื่องขันที่เป็นอยู่กันตนเป็นสิ่งที่ทำได้รู้ได้รู้ได้เนี่ะจิตที่ว่า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 เขาเป็นเขาตามหลักธรรมาชาติของเขาแต่เรายังอุตส่าห์ไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราเองมันก็ยุ่งเพราะมันถูอความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริงให้พิจารณาเห็นตามความจริงทั้งหมดพิจารณาแล้วพิจารณ า, ราซ้ําๆซัซกๆเอาจนเป็นที่เข้าใจ เมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกปล่อยบอกวางปลอยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณแล้วพระพุทธเจ้า้องสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนมันก็ยึดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดออกมาเป็นภัยด้วยความสาคัญว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นนี่ มันรุ่งครงที่ไปสำคัญไ ป, ปหมายด้วยความรุ่มหลงของเรานี่แหละขนันนั้นๆนะก็มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเพียงเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่นแหละที่รับราติในแง่ต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ยขึ้นไปจา ก, กจิตแล้วความหมายสำคัญนั้นหมายต่างๆก็ไปจา ก, กจิตเป็นผู้หมายคิดนี้ปัจจูวัซึ่งความรุ่งหลงเต็มตัว แสดงออกมาในนี้นจึงมีแต่ความร่วมความหมงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่นี่แหละที่ว่าจิตมันพึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปกอบ น, นั้นก่อนนี้การพิจารณาทางด้านปัญญากอบเพื่อจะให้รู้เรื่องในสิ่งทั้งหลายแล้วขากออกไปดันออกไปแก้ออกไปให้พึ่งตนเองได้โดยลำหนักลำหนักเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดตัวถึงพอเข้าอกเข้าใจ ดูตึกรามบ้านช่องดูอะไรๆก็ดูยิงดูชาดูสัตว์ดูวุคคดูวัตถุสิ่งของต่างเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่าสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูลนะ่างกลางเรานี้ทำไมมันไม่รู้แลวไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเรายังไม่รู้เรายังไม่กล้าเอา รู้มาไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่าไงไหมตอนนี้ีตอนเราโง่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกาย เ, เป็นยางไงจิตใจแล้วก็ทราบอยู่แต่มันทราบอย่างผิวเผินทราบอย่างธรรมดาสามัญช น, นไม่ได้ทราบตามความจริงทราบอย่างสามัญชนก็คือทรา บ, ราบสามัญวิชานั่นเองถามันของความวามงงึนหลงแห่งความรู้นั่นเอง มันเป็นไปตามความจริงนั้นจึงต้องหาความจริงให้แทรกเข้าในจิตนั้นคือปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะทราบความจริงของมันที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งไม่ปิดบังอะไรเลยดูให้ชัดมันไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยร่างกายนี้กว้างสองยาวานาคขึ้นเท่านั้นมันน่าจะดูทั่วถึงดูภายนอก ผู้เดียวก็ทั่วถึงภายในก็ดีและดูให้ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งตามอาการตามความเป็นดยู่ของมันตลอดถึงความสลายความแตกทําลายของมันไม่ไปไหนมันจะกล้าเข้าสู่ความแตกสลายทําลายของมันลงสู่ท่าเดิมเท่านั้นไม่มีผิดไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอันอนี้เมื่อมันซึ้งตามควจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปทานความยุ่มัน่นถึงมัน่นในสิ่งนี้มันจะถอนตัวทันที เมื่อยังไม่ซึง้งพิจารณาให้ซึง้งให้ชัดเจ น, นด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึง้งในภายในร่างกายซึ่งมีอยู่กับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเอง feet, <agreed. S 2> เม<อ>ื่อเข้าใจเต็มภูมิก็ปล่อยเต็มที่เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้ เาต้องพิจารณาพวกปล่อยวาง เ, เราเอเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความโง่เขลาบกปัญดาของเราเจ้ากาะความทุกข์ให้แต่เราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาระสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความหม่ความใหความรักความทต้องหนันแล้วยิ่งจะปลายใหญ่ทั้ทงๆที่มันไม่ไม่มีอะไรที่ให้ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละมันมีอะไรให้ให้รักให้เสียดายเลย นีแต่สิ่งที่จะแตกกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลายตามการเวลาของหมักอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงเรายังฝืนความจริงว่ะไม่อยากให้มันแตกไม่อยากมันดัดยังรับยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมากก่รกองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยเนี่ย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 ความสุขความทุกข์มันมีสิ่งเหล่า น, นี้มันก็อาศัยการเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับทราบมันก็ต้องรู้แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างหนึ่งความรู้ด้วยความด้วยความยึดถือเป็นอีกอย่า ง, งอันนั้นเป็นไถ่เห็นเราเข้าใจอาเอาไว้ขอพิจารณาทุกขั้นทุกผู้แล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราก็เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อนไม่แน่ใจ พออันนั้นเองเราก็เองพอสิ่งนี้เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มผ้ออาศัยเขาเนี่ยเขาพาเอียงก็เอียงเขาพาล้มก็ล้มเขาพาตั้งอยู่ก็ก็พอตั้งได้บ้างแต่มันไม่ยอมตั้งนั่นถึง เ, เขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนนะ่ะนี่ท่านเดียต้องพิจารณาให้เห็นชดัดดยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยทั้งนั้น วันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลาดับๆถ้าเราเห็นความกัดความกินความแท้ของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสิกมันกอนไปโดยลดับๆแล้วมันก็เหมือนกับชุ น, นักถึงเนื้อต่างๆอันเนึ่งไม่ผิดอะไรถึงตลอดเวลากัดแท้ทึงอยู่อย่างนั้นจะมาทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะ้ อันนี้ก็เอากันอยู่ตงนั้นอ่ะสลายไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงความจริงของหมังดู่กับเราก็ตามนั่งอยูยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับชนิดไปก็ตามอันมันกัดมันแท้มันถึง้งคือเวลัเนื้อลาความสลายความหมดไปหมดไปนั่งมันกัดมันแท้มันถึ้งอยู่ขง้งหน้แต่เราอยากจะแย่งเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้เหรอแย่งไม่ได้อันนั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมาก ความสำคัญของเรานี้เป็นเป็นเรื่องผิดความผิดมันจึ ง, จงแย้งความถูกไปไดได้นั่นเป็นความถูกต้องเป็นหลักธรรมชาติของเขาความฝืนหลักธรรมชาตินั้นเป็นความผิดของใจจึงต้องเกิดความทุกข์แก่เราพยายาให้รอบครอบนสิ่งเหล่านีน้ถึงเวลาเข้ามาแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวเพราะได้พิจารณาหมดแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้นจะเป็นไปตามนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่น คือเป็นไปตามที่เราพิจนารณาแล้วเท่า น, นั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอา้าวต่างอันต่างไปไปอะไรพสังอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกวเวทนา ม, มันก็เผากัาส่วนร่างกายนี่ร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเตรียมลงไปโดยลำดับลาดับแตกสลายลงไปอา้าวจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ติดเป็นตัวของตัวโดยตรง พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งแบ่านี้แสนสมบัตินี่การที่จะนาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักตร า, านั่นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเนิ่งสติปตัญญานี้เป็นิำคันเพื่อนากิตฉุดล่ากิออกมาจากกองทิงให้พ้นจากภายไป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 เอาแล้วพิจารณาให้มว่า ก, กว้างมาแคบเอาทั้งโลกฐานนี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะคำว่าพึ่งฟังใหดีแม้แต่สิ่งที่ติดแนบกับตัวของเรานี้มันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกประจากร่างกายของเรานี่จึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลย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 ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องหนึ่งแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้ว น, นี่ก็หมดความหมายไปกับใจเอเวลามีชีวิตอยู่ที่นำมาใช้ก็ใช้เพื่อโลกเพื่อสงสารไปตามสมมติเท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งวันสุดท้ายที่จะผ่านธาตุ่านขันน้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็ก่อเรื่อก่อนไม่มีปัญหาธาตุขันก็มีปัญหา พาหมดตัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงกล้าเข้าสู่ความหมดปัญหาเด๋ยมันก็หมดกังหมดถ้าเรามีปัญหาอยู่มันปัญหาฟังถ้าว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลําบากความเกิดเจริญตายมันก็ตามมันไปนั่นแหละคําว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงที่จะนาให้รู้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเรามันแยกแยกให้ได้ด้วยอํนนานาจของสติปัญญาที่ชนาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้เฉพาะเอามาแก้กทิเลศถ้าเราจะขึ้นออกมาใช้ในการแก้กิเลศแก้ได้วันดันคําถ้าจะพานอนจมกอดจ้องกันอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาเขา้ามาช่าวอยู่ที่ไหน เวลาจนกรอบจนมุมก็เอาหัวชนฝาใช่ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์สถากดพูดเอาหัวชนฝาโอ้ทีเจ้าไม่ได้พูดหัวชนฝานอืมสังคักสนังกระฉามที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านพูดเอาหัวชนฝามาั้งเลเราจะไปหัวชนฝานมื่อมีทางพอจะปีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดก็ต้องพยายามจนหมดความสามารถทของเรา หมุหมดจอมสามารถแล้วก็สุกพิสัยเอา้าอยู่ปลายถึงท่านใดผูมิใดก็อยู่ปลายเพราะมันสุกพิสัยก็ทำไมเมื่อยังไม่สุกพิสัยเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกคานไปให้ได้การมาล่มจมเนื้อมาตัดรังสารมันก็เหมือนเนื้อล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดระวงังเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตาย มันล่มจมกับธาตุกับขันด้วยความลุ่งความหลงธาตุขันก็ล่มไปตามสภาพของเขาจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยมันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมไปเพราะความรุ่มหลงบีบบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะนัต้องเอาให้เลือดนอดให้โดยลำดับพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนา ที่มันมีอยู่ในการในจิตเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในการนี่สําคัญมากมันเข้าไปยึดกลายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปเพื่อให้เห็นทัดเจียตามหลักความจรินที่ว่าอาการห้าให้ทราบอาการห้าไม่ใช่เรารูปพฤธนาปัญญาตั้งขันยินยานเป็นอาการหนงหนึ่งที่อาศัยกันอยู่ในธาตุขันธ์นี่เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่งางแยกแยะ ก, กันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนแต่เป็นผู้พ้นไทยตายก็ตายไปเธอเออ โลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้ยังไงถึงข่าวมันตายมันต้องตายถึงวาระแล้วใครห้ามไม่ได้แม้จะพาทหารท่านก็ต้องตายจะผิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบหายห่วงหายห่วงได้แต่ยังไม่ตายแต่เราเนี่ห่วงอยู่ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งห่วงยิ่งห่วงไปใหญ่ไปเป็นไฟทั้งก่อนความห่วงในกายเป็นัฟตันเองจะให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลย ท่านไ้เคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลี่ยฉลาดให้เราล่ะกุศลาเราเองกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอกุศลที่ตรงไหนที่มันโง่ําจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดคือสติปัญญาทของเรานี่แหละท่านบอกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทำอย่างนี้พึ่งคนอื่นเวลาตายแล้วอพ า, า, ามากุศลธรรมมายุ่งไปหมดเดออไม่รับ กุณาตรมหมายตัวมันทอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องยุ่งเยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโตอาล ะ, ะแสดงเพียงเท่านี้